ตังตั้งตัง้งแครั้งที่แล้วที่ที่ได้พบหลวงตาะะแล้วก็อา่าเก็บอกว่าก็ให้ให้ให้อให้เห็นทุกอย่างเป็นสังขารปรุงแต่งโดยที่ไม่มีตัวเราเข้าไปทําอะไรก็ที่ผ่านมาก็ที่ที่ตอนแรกก็บอกว่าเต้ก็พยายามทําก็ทําไม่ได้แอบพย า, ยามหยุดก็หยุดไม่ได้ทําก็ไม่ได้แล้วหลวงตาก็บอกว่าเอา่ต้ ยอมรับแบบยอมจำนนแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไไดเ้เห็นมันเป็นสังขารจริงๆแต่ว่ายอมรับเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้มันก็ยังมีตัวเราอยู่ลึกๆนะก็หลังจากนั้นก็ อ, อ่พัดไปพัดมาก็คือ ก, ก็ก็เห็นว่ามีความพยายามแล้วก็มีความพยายามจะไม่พยายามแล้วก็รู้สึกว่า ไม่พลัดไปทางซ้ายก็ทางขวาตลอดเวลาแล้วก็เห็นว่ามันหลงปรุงแต่งตลอดเวลาหลงปรุงแต่งอะไรก็เวลาแล้วก็มี ม, มีมีเราตลอดเวลาเพราะมันยิ่งพราะมันเห็นมือนก็แล้วมันก็เป็นทุกเป็นทุกค่ะเป็นทุกแล้วก็วุ่นวายวุ่นวายอยู่กับอกบการปรุงแต่งแล้วก็ไม่ชอบเรียสุขยิ่งเรียดทุกข์รักสุขยิ่ง อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีบางมีบ้างที่รู้สึกขึ้นมาว่าถ้ามันไม่มีเราไอ้ทุกข์ที่มีอยู่มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีความหมายเหมือนคล้ายๆกับที่หลวงตาบอกว่าตายไปก็ก็ไม่มีอะไรแต่ตอนนั้นก็คิดว่าหลับไปมันก็ไม่มีที่มันทุกข์อยู่ก็เพราะว่าเรายังมีเรายังอยู่จับใดที่เรารู้สึกทุกข์ก็คือนั่นก็คือเห็นว่าเข้าใจว่าก็เนี่ยพราะมันยังมีเราอยู่มีเราเป็นผู้รับความทุกข์ มันก็จะมีบางช่วงขนาดที่มันก็รู้สึกว่าทุกขนะ์นั้นมันก็มันก็ทุกข์แต่แต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดมันก็ยังสึเป็นทุกข์อยู่แต่ก็แต่ก็อ่ามันก็มีสติแล้วก็เนี่ยค่ะพิจาย่าีงว่าก็มันยังมีก็คือ เหตุเห็นว่าเออมันมีมันมีตัวเราแล้วจริงๆมันไม่มีเราตั้งแต่ต้นแล้วใครทุกข์ก็คือก็ยังมีการอาบอกตัวเองพิจารณาตัวเองอย่างนี้ก็มันก็มีช่วงที่รู้สึกว่าเข้าใจแล้วมันก็พลัดไปอีกฝั่งหนึ่งก็ยังยังมีอยู่แต่ก็กรู้สึกว่าอาจจะเป็นไบอย่างที่มอง ต้องต้องต้องเร่องเดียวนิโสบ่อยๆให้ให้เห็นว่าให้มันเชื่อให้มันถึงแก่ใจจริงๆว่าจนเป็นความเคยว่าว่าเราไม่มีตั้งแต่ต้นเลยโดยที่ไม่ต้องคือทุกวันนี้ยังยังต้องมีสังขารปรุงมาบอกมาบอกมันมันมันบอกมันเพื่อที่จะพอเหมือนเหมือนเหือพอมันทุกข์อะค่ะพอมันทุกข์มันก็อะใครทุกข์มันก็ต้องมันมันจะมีคนมาเตือนมันเออมันยัง ก็ไม่แน่ว่ามันคือก็ยังคิดว่ามันต้องเดี่ยวแบบโยนส่วยแล้วแล้วยังไงก็แล้วยังยังไงว่าว่าถึงว่าเราไม่มีจริงๆแต่ก็ไม่ไม่ได้สงสัยตรงนั้นมากรู้แต่ว่าพยายามที่จะเห็นว่าเนี่ยมันมีตัวเราอยู่รองรับอยู่ทุกทุกทุกอย่างที่ที่ทั้งทุกและไม่ทุกบางมันก็มีเวลาที่มันไม่ทุกนะคะก็ พอมีสติก็เพอพารู้พอมันมีความรู้สึกว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยมันมีตัวเราอยู่ตรงนั้นทันทีอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเออแล้วมันแล้วมันแล้วมันยังไงนะคะแต่ก็รู้สึกว่าก็เนี่ยมันมีตัวเราอยู่ตรงนั้นไม่ทุกข์อ่มันพูดได้ว่าไม่ทุกข์แสดงว่ามันมีมันมีเราที่มันไม่ทุกข์แต่ก็ไม่แน่ใจว่าที่พิจารณาอย่างนี้ถูกหรือเปล่าอะค่ะไม่พิจารณาอะไรเลยลูกตาไม่พิจารณาอะไรเลยก็ไม่เอาอะไรเลยอะสังขารอะไรก็ไม่เอาเลย ไม่คิดว่าจะมีตัวเราที่ที่หลุดพ้นแม้แต่จะจะคิดไปพยายามหาทางช่วยเหลือตัวเราให้หลุดพ้นก็ไม่มีไม่ได้คิดเลยมีแต่ <S <S 1> <S 1> ไม่มีครไปเอาอะไรเลยมีแต่อะไรอยากกับสังขารก็สัง ข, ขารไปไม่รู้สึ ก, กว่ามีมีเราจะต้องไปทําอะไรกับสังขารคือไม่มีอะไรแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งว่าจะต้องไปทําอะไรกับสังขารน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเลยมีแต่อะไรกับสังขารทั้งนั้นแหละที่ที่เต้พูดทั้งหมดเนี่ย ทุกคําพูดนั่นเลยไม่ว่าจะมีพฤติกรรมดับสนะอย่างไรก็ตามทุกคำพูดคือสังขารทั้งนั้นไม่แต่ความรู้สึกว่าแล้วตัวเราจะไม่มียังไงแล้วตัวเราตรงนี้แล้วเติ้งจไปอย่างไงอะไรก็ตามที่พูดมายาวๆทั้งหมดนั่นแหละลงตาเห็นว่านั่นแหละสังขารทั้งนั้นเลยนั่นแหละมีแต่สังขารทั้งนั้นเลยถ้าเป็นลงตาแล้วไอเหล่านี้ไม่มีความหมายต่อใจเลยจะอะไรก็จะสเองจะสังขารยังไงก็ตามทุกขณะปัจจุบันไม่มีความไม่มีความหมายเลยไม่มีค่ามมีความหมายต่อใจเลยแล้วไม่มีเราพยายามไปเป็นใจไว้ด้วย ไม่มีเราเนี่ยไปพยายามไปเป็นใจไว้ด้วยมีแต่ว่าสังขารทั้งหมดทุกขณะปัจจุบันไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเลยและไม่มีว่าเราพยายามไปเป็นใจและไม่มีว่าเราพยายามจะไปติดไปเตะสังขารนะคือสังขารทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาทุกขณะไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างไรทุกขณะปัจจุบันไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเลยเลยไปเป็นผลทําให้ใจเนี่ยมันเลยว่างเปล่าจากสังขารทั้งหมด คือไม่รู้สึกว่ามีตัวตนไม่รู้สึกว่ามีตัวเราไม่รู้สึกมีอะไรเลยมีแต่ใจไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรเลยไม่มีภาระต้องดูต้องรู้ต้องเห็นต้องละต้องปล่อยต้องวางอะไรเลยใจหมดหน้าที่โดยทั้งมวลไม่มีหน้าที่อะไรทั้งสิ้นไม่มีหน้าที่ต้องคอยดูคอยรู้คอยเห็นคอยละเท่าทานนั้นมันจึงไม่ไม่มีการกระทาอะไรเลยไม่มีกิริยาที่ต้องกระทำอะไรเลย ไม่มีการพยายามต้องรู้ต้องละต้องปล่อยต้องว่าไม่มีการจะพยายามกระทำอะไรไม่มีการต้องพยายามทำความเข้าใจอะไรแล้วม่นตรงตาก็เองก็ไม่มีความพยายามต้องโยนิโสมาสิกานอะไรคือหนูยังเห็นมันมีการกระทะมันมันมีนิดนึงที่มันมองทุกอย่างเป็นสังขารมันมีตรงนี้เลยใช่หนูสองขบุนี่มจะถูกต้องที่พูดมาทั้งหมดยังไม่ใช่ที่บอกว่ามันมี มันกับมันมองทุกอย่างมันสังขีรมันมันมีการมันยังมีแต่ว่าเรียกท่ว่ามันไม่ถึงกับตั้งใจอะแต่มันเหมือนกับมันมีมุมมองมันไม่ไม่ใช่เพราะว่ามีการมองนิดนึงอาจารย์เต้บอกว่าพยายามจะหามุมมองให้ตัวเองทิศเดียวเหมือนกับปัญญาเหมือนกับปัญญามันเฉดเฉียดจะชัดเจนแล้วไอ้ตรงเนี้ยไม่เห็นว่ามันดึงสังขารดึงสังขาร มันเสี้ยวนิดเดียวเนี่ยไม่แต่อีเสียนิดเดียวคือสังขารแล้วเต้ยเนี่ยไม่เห็นตัวเองว่ามันนิดเดียวเลยอีกทีดเดียวเนี่ยเราจะอีกนิดเลยเราจะพ้นทุกข์ได้เลยหมือนเด็กหมือนอีกทีเดียวทําไมเราจึงเห็นมันไม่ได้อีกทีเดียวเราไม่จะไม่ชัดแต่อีกิดเดียวทําไมอีกทีเดียวเราจะแหมเราติดเอือื อ, อ, อ, อ, อแต่ทั้งหมดอีกทีอีกนนี่นะอออสังขารทั้งนั้นเลยลุกตาเห็นว่าเป็นสังขารหมดเลยอย่างเงี้ย แล้วไม่ม hmm. ีค no I mean, <al food> <repair> ่าไม่ความหมายใจเลยมันจะอึกอักอ๊กอักปีอีกเติรม่มีกตู้จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊งจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจน๊บจะ๊บจิ๊บจิ๊บลิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ้ิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊งจิ๊บจิ๊นัินบจิ� ไม่อะไรมันจะอีกนิดอีกจุดกิ๊บจอะไรเข้าไปอีกครัมันจะคือมันค่อยๆเข้ามานิดหนึ่งนิดหนึงนิดนึงนิดหนึ่งไงนะเหมือนอีกนิดนึงจะบรรลุธรรมแล้วอีกนิดนึงจะบรรลุอรหแล้วอีกนิดนึงจะบรนิพานแล้วไม่หามันยิงไล่ยิ่งไม่มันยึ่งมันยิ่งมันยิ่งมันยิ่งไม่ได้อย่างใจยิ่งไม่ครับแค้นใจร้องไห้ข้างในใจน้าตาน้ำตาไหลตกข้างในแต่ต่อหลังมาเห็นมันอะไรก็สังขารทั้งนั้นเลยมัอีกนิดอีกจุดอีก เดี๋ยวเราจะเป็นอะไรไอความรู้สึกนี้มันก็สังขารนะฮะเนี่ยคือไม่ได้ห้ามมันให้แต่ให้เห็นให้คือเห็นว่าเป็นสังขารนะฮะหรือแม้แต่ว่าไอเดี๋ยวเราจะเป็นลุไอความรู้สึกว่าเราจะเป็นลุไอตัวนี้ไอความรู้สึกอันนี้ก็เป็นสังขารแต่การเห็นตอนที่ไปเห็นแล้วบอกว่าเห็นว่ามันเป็นสังขารนะมันก็มีจุดนึงที่มันต้องแบบว่าเห็นว่าคือพูดง่ายว่าเป็นสังมานก็เป็นสังขาร อ๋อเมาให้หน่ะยนี้ไหมหน่อยไอะไรอะไรนม่นก็เอาพูดับพูดปรัชญาปรัชญาไม่ไม่ใช่ปัชญาผมนะครับอันนี้จําที่หลวงตาเล่าตอนนั้นนะครับหลวงตาเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับมันมันกํำลังได้เนี่ยจะจะสอยเข้าสู่สู่ปลายเข็มที่มันจะจะสอยได้เข้าเข็มนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแต่มันวุบไปวุบมาวุบไปวุบมาท่านก็รู้สึกว่ามันมันจิตจ้าในใจนะครับเข้าเสียมีความ อันท่านก็เหมือนกับว่าท่านก็เล่าให้ฟังว่ามันร้องไห้ในใจนะครับแล้วก็มีอะไรอย่างนี้อยู่เสมอจิตจัดจิตดนะครับจนกระทั่งตอนที่หลวงปุรีท่านให้เรื่องพระนะครับพระของขวัญที่ว่าตอนหลุดเนี่ยไม่รู้หรอกครับอันนี้ครับเป็นคําคําเด็ดครับคําเด็ดครับถ้าลู้ก็ไม่หลุดนะครับไม่เกี่ยวกับผู้พูดไม่รู้นะครับพี่จ่าครับครับครับไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับ คล้ายๆกันไหมครับหลวงตาคอือยังไงเราพูดยากคือว่าคือจะอธิบายก็ยากแี่ยคือเราเลยพูดหลอกใจของเราอ่ ะ, อะคือเราเห็นพวกท่านทำแล้วเราเหนื่อยแทนคือเราไม่พูดอย่างไงอ่ะคือเราเห็นพวกท่านทำแล้วเหนื่อยแทนเลยเนี่ยคือคล้ายกับว่าอเล่นอะไรมันทําอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เหนื่อยแทน เราเราเลิกทําไปแล้วไะคือเราเลกิกทําไปแล้วเราเลยพวกท่านทาอะไรก็ไม่รู้จิตอีกจิตอีกจุดอีกจิตอีกจิตอีกมันมันนติดนึ่งทางก็ใจอย่างนี้อีกหน่อยดึกอีกมันไม่ได้เย็ะครับแขนใจมันทำไมมันต้องเห็นอย่างนู้นต้องทอย่างนตัวี้เราเห็นพวกท่านทำเราเราเหนื่อยแทนไหมขออนุญาตดวงตาขอกราบขอเข้ามาแต่เราเคยเหนื่อยมาแล้วเอาเคยเหนื่อยนะใช่ใช่เราเคยเหนื่อยมาก่อนเราเห็นพวกท่านเหนื่อยเราเลยสงสารเราเลยเหนื่อยแทนเพราะว่า เราเลิกเล่นแล้วนะแต่พวกท่านยังเล่นอยู่อย่างเงี้ยหนุ่มตต้องดูพวกหนูเล่นไปก่อนน่ะเราก็เลยพยายามบอกพวท่านว่าเฮ้ยนี่มันสังขารนั้งเงี้ยนะที่เล่นท่านเล่นสังขารนั้งนั้นเนี่ยท่าลงเล่นสังขารนั่งเง้นน่ะที่ท่านทำที่ท่านรู้สึกที่ท่านคิดที่ท่านรู้สึกเป็นตัวเราอีกหน่อยอีกหน่อยจะถึงจะดจะรู้ใจเหรออีกนิดหน่อยเห็นอย่างนี้โอต้องเห็นยังไงนี่ต้องพยายามเห็นยังไงนี้อะไรเนี้ย เราเล่นมาหมดแล้วอย่างเนี้มันเป็นสังขารทั้งงานเนีน่เราหลงเล่นสังขารอย่างเงี้ยหลงเล่นสังขารคือมันก็ก็พยายามหาคือ ด, ด้จับจริงครมันก็มันก็รู้เลยว่ามันพยายามก็เอาไม่ทําไม่ทำแล้วไ ม, ไม่คิดอะไรว่าเป็นสังขารกลับมาไม่ ท, ทําทํานู่นแบบว่ามันก็เฮ้ยนี่มันหลงไปเลยมันก็ก็เลยเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ไหม ก็ไเพราะว่ามันไม่ันไม่ไม่เห็นว่าไอ้ความความรู้สึกว่ามีตัวเราจะไปได้อะไรไปเป็นอะไรตัวเราไม่ถึงตัวเรายังไม่ได้ตัวเรายังไม่เป็นตัวเราจะไปได้ตัวเราจะถึงตัวเราจะเป็นอีกนิดหนึงตัวเราจะไปถึงจะไปได้จะไปเป็นเอ้ตอนนี้ตัวเรายังไม่ถึงตัวเรายังไม่ได้ตัวเราไม่เป็นนี่เราเราเราเราอย่างเงี้ยนี่เราติดดีแล้วเหรอเอ้าพอเราจะทิ้งก็ไม่ใช่พอเราปล่อยวางหมดเออเราก็แช่อีกเอ๊ะเราจะเอายังไงอเนี้ยไม่เห็นว่าทุกความคิดความรู้สึกเหล่านี้สังขารตั้งหน้า สังขารทั้งนั้นเลยทีนี้พอหลวงตาพูดอย่างนี้ก็ต้นพ อ, อ, อไม่เห็นตรงนี้พวกด้ยก็พยายามจะช่วยตัวเองอยู่นั่นแหละเพาอะไรไม่เห็นว่ามันเป็นสังขารด้ยก็เลยพยายามจะช่วยตัวเองให้ได้ว่ะปล่อยก็ไม่ได้ทําก็ไม่ได้แล้วเราจะเอาอยัางไงปวดหัวจริงจริงลองให้ดีกว่าอา่อาอาพูดธะคือสืบเนื่องกันนะครับว่าอย่างคําถามที่ผมถามหลวงตาไปก่อนหน้านี้ครับว่ามันมันไม่ได้พลิกแบบที่หลวงตาพูดว่ามันเอ้ยมันไม่ใช่สังขารทั้งนั้นคือคือคําพูดเนี่ยครับ เวลามันแรงๆปื๊ดๆถูกด่ามาอะไรเงี้ยมันไ ม, ไม่ไม่ทันว่าสางขานทั้งนั้นแต่มันขึ้นแล้วคือคือสรุปว่ายังไงเขาต้องใช้สังขารในการโยนิโสเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่ต้องทำอะไรเลยจนกระทั่งมั้นเรื่อยๆ เมื่อกี้ดวงตาพ่งเหมือนมันเรื่อยๆแล้วมันถึงจุดหนึ่งมันต้องไม่ไม่ทำเรื่อยต่อไปแล้วไม่งั้นมันก็จะทําจนเหนื่อยอย่างที่ลวงตาบอกว่าพวกเราไม่ใช่ไม่ทำเรื่อยๆจนกระทั่งมันเหนื่อยคือว่ามันมันมันมันมันรู้สึกไปที่ไปรู้สึกไปเลยว่ามันมันสังขารอย่านั้นเลิกเลดีกว่าวะมันสังขารก็สังขารไปไม่มีนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรเลยนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรอีกนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรอีกแต่ของเต้ยนอกจากสังขารแล้วมีตัวเราแต่ลูกตาเห็นว่า ไอ้ที่ว่านอกจากสังขารแล้วมีตัวเราไอ้ตัวเรานั่นคือสังขารความรู้สึกของตัวเรานั่นคือสังขารนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าจิตตานอกจากสังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นนอกจากสังขารเท่านั้นที่ดับไปคือนอกจากทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นนอกจากทุกเท่านั้นนที่ดับไปนอกจากทุกที่เกิดขึ้นนอกจากทุกที่ตั้งอยู่นอกจากทุกที่ดับไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปนี่ใช้คำพูดอย่างนี้เลยหรือว่า น, น, น, นอกจากสังขารนั้นที่เกิดขึ้นนอกจากสังขารนั้นที่ตั้งอยู่นอกจากสังขาร น, นั้นที่ดับไปนอกจากสังขารท <plup bible opus> ี่เกิดขึ้นนอกจากสังขารที่ตั้งอยู่แล้วนอกจากสังขารที่ดับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ด้วยไม่มีอะไรตั um ้งอยู่ไม่มีตัวเราตั้งอยู่แล้วไม่มีอะไรดับไปไม่ม <umi> <h ums> ีแม้แต่มีอะไรตั้งอยู่เลยนะแต่เต้นมีอันหนึ่งคือมีตัวเราตั้งอยู่เราต้ก็พยายามที่จะ มองให้เห็น ก, ก็มีความพยายามว่าให้เห็นตัวพยายามให้เห็นว่าตัวเราก็าเป็นสังขารมันจะได้เข้าใจว่าคือพระองค์บอกว่าเรามีตัวเราก็อย่างที่หลวงตาบอกพยายามไม่เอาตัวเราพยายามจะต้องไม่มีตัวเราก็พี่เง า, า, าเออตัวเราก็เป็นสังขารเพราะความรู้ส <Roberts> ึกตัวเรามีเห็นความรู้สึกเป็นตัวเราเมื่อไหร่ปุ๊บก็อันนี้สังขารก็มันก็วนบอกวนอยู่อย่างเงี้ยเพื่อรักษาว่าเอ้ยเพื่อเพื่อจะแบบ ไม่ต้องกานมีตัวเราเพราะมันจะต้องไม่มีตัวเราก็คำมีตัวเราก็อ่ามีตัวเรามีตัวเรารับ ม, มีมันก็วนเวียนอยู่กับการกําจัดหรือการพยายามที่จะให้เข้าใจเห็นว่าตัวเราเป็นสังขารแล้วเราก็เราไม่เห็นตัวเราเป็นแต่ก็เข้าใจด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยที่หลวงตาบอกนะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจว่า เราเป็นสังขารก็เข้าใจไอ้ยความรู้สึกที่เมมตีตัวเราเนี่ยมันเป็นสังขารแล้วก็บอกตัวเองเลยแต่เต้มึงได้แม้แต่เต้ยเข้าใจลงตาพูดอะไรเงี้ยแต่เวลาเต้ยบอกเนี่ยดวงตารู้เลยว่าแม้แต่ความรู้สึกความรู้สึกว่าตัวเราตัวเราไอ้ตรงนี้ก็เป็นสังขารนี่เป็นสังขารแต่ในความรู้สึกของเต้ยที่บอกว่าตัวเราเนี่ยที่ความรู้สึกว่าตัวเราเป็นสังขารเนี่ยที่เต้บอกนี่นะในความรู้สึกเลยมันซ่อนอยู่ในดวงตาเห็นไว่าบอกว่าตัวเราเป็นสังขารเนี่ยเพื่อจะให้เป็นตัวเราเนี่ย เป็นตัวไม่สังขารเข้าใจไหมปายพยาวบอกทุกอย่างนี่ก็สังขารทางนั้นนี่ก็สังขารทางนั้นนี่ทางนั้นเพื่อบอกว่าให้ตัวเราเนี่ยมันสิ้นสังขารให้ตัวเราเนี่ยสิ้นสังขารนะบอกเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสิ้นสังขารบอกเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไม่สังขารอ่ะมันก็เลยนอกจากสาขาแล้วมีตัวเราอีกอยู่ดีเลยถึงจะบอกยังไงก็ไม่รู้สึกว่าแต่ทําไมไม่อไอ้ที่บอกเพื่อให้รู้สึกว่า เราแล้วเราจะเป็นยังไงไม่ให้รู้ไม่ให้บอกเลยตัวนี้คือสังขารนั่นแหะนอกจากตัวนี้แล้วไม่มีอะไรอีกไม่มีตัวเราอีกเพราะว่ามันไม่มีก็มันไม่มีตัวเราไมม่ีตัวเราแต่เออใช่เราอยากให้พูดอย่างนี้ว่ามันไม่มีตัวเราไงแต่มันมีไอความรู้สึกที่บอกว่าเราเป็นสังขารเนี่ยมันมีความรู้สึกนี้ซึ่งมันเป็นสังขารแต่อีตัวเราที่เรากําลังไปบอกว่ามันไม่มีเนี่ยมันไม่มีแต่มันความรู้สึกที่แต่ความรู้สึกที่มันหลอกเราในใจว่ามมันีเราบอกไปเพื่อให้เราเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่เป็นตัวสังขาร ให้ให้เห็นตัวนี้แต่ว่าไม่ได้ให้ให้ไปเซาซีกับไอความรู้สึกเป็นตัวเราที่ที่มันไม่มีอยู่ใช่แต่แท้จริงอมันไม่มีตัวเรามีแต่สังขารกับใจที่ไม่สังขารมีแต่สังขารกับความที่ไม่สังขารมีอยู่แค่นี้แน่แต่ไม่พยายามจะบอกว่าเพื่อให้เราไปตัวเราไปเป็นตัวที่ไม่สังขารคือเตยยังมีความรู้สึกว่าจะมีตัวเราไปเป็นนิพพานไปถึงวิทานตัวเราจะไม่ถึงนิพพานเดี๋ยวเราบอกไปเดี๋ยวเพื่อให้ตัวเราไปบรรลุนิพพานมันมีตัวนี้ซ่อนเล่นอยู่ มีตัวเราจะไปถึงไปได้ไปเป็นทำไ ม, มอนะถามก็ก็มันเป็นอวิชชาไงมันเป็นอวิชชาซ่อเล่นอยู่ในใจที่บอกว่ า, อ า, า, า ไ, ไอาชามันติดไปตรงไหนก็อวิชชามันซ่อเล่นอยู่ในใจนะี่ไงตาครับขอการครับอย่างนี้อย่างนี้ก็คือว่าก็โยนิโสไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจเองเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเกิดนิพพิธา ในเรื่องของของสังขารทั้งหมดแล้วเขาก็ละวางเองอย่างนี้ถูกต้องไหมครับหลวงตาครับก็้เขารู้สึกว่ามันก็ไม่มีตัวตนก็วางสังขารทั้งหมดที่เขาเข้าใจว่าไอ้นี่ก็สังขารสังขารสังขารไปเรื่อยๆคือเราบอกไปแล้วอย่างเงี้ยนะแต่พอมาขนาดมันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันขนาดนั้นก็ให้เห็นมันไปตามที่เราบอกเนาะไปเห็นตามจริงไปไปบอกเพื่อตัวเราที่เหลือตัวเราไปบอกเพื่อเหลือตัวเราไอ้ที่เหลือตัวเราได้จริงก็คือสังขารคือเราไปสร้างว่าจะต้องมีเหลือตัวเราก็คือว่าบางปัญญามันจะตามหลังมาอย่างเงี้ย ก็คือนอกจากใจแล้วอย่างอื่นก็สังขารทั้งหมดอืก็คือสังขารก็มีเฉพาะสังขารเท้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมีตัวใจก็เป็นสังขารอีกก็ต้องวางทั้งหมดลงด้วยกันครับมันก็เข้าใจนะหลวงตาแต่ว่าือเข้าใจไม่เข้าใจคุณก็เข้าใจนะคะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันยังมีคือคือผมผมว่าอันนึงนะครับหลวงตาที่ผมเป็นก็คือที่หลวงตาเคยชี้แนะนัคือว่าเพราะว่ามันยังมีตัวเราไปเอาอยู่ แล้วไม่ทันในตัวเราเนี่ยแล้วก็มันไม่ใช่มีมันไม่ใช่แค่ดูแค่สังขารในเดียวเนี่ยมันมีตัวเราที่จะไปเอาความรู้ข้างหลังไปเอาไอ้สติปัญญาไปเอาความละเอียดอะไรพวกเนี้ยครับทึ่มันมันซ่อนอยู่ซึ่งเราไม่เท่าทันคือถ้าพอคือคือจะใช้สูตรว่าทุกอย่างไปสังขารมันก็ไม่ทันเพราะมันมีมันมีความอยากอยู่มันไม่ทันความอยากของตัวเองที่มันซ่อนอยู่ในในส่วนละเอียดตัวเนี้ยครับคือถ้ามันเริ่มเท่าทันบางส่วนปุ๊บ ผมคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะคลายขึ้นอาจจะต้องโดนหลวงตาตีที่สองสามทีเพราะว่าเพราะว่าพออย่างผมพอหลวงตาชี้ให้เห็นว่าไอ้ตัวปรุงละเอียดมันก็ยังมีเราแทรกอยู่ตรงนั้นซึ่งมันใช่เลยเพราะมันมีตัวรอรับอยู่มันไม่ทันในตัวเราที่ไปเสวยในส่วนละเอียดอยู่คือถ้าเราทันในตัวส่วนละเอียดที่มันไปเสวยแอบเสวยตัวนั้นเนี่ะทุกอย่างไปสังขารนี้ที่หลวงตาว่าทุกอย่างมันก็พอมันจะเริ่มไปไป ไปเอาไอ้ส่วนละเอียดว่าเป็นเราหรือว่ามีตัวเราไปเสวยไอ้ไอผลลัพธ์ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทําอะไรมันก็มันก็เรื่องของมันอะไรอย่างนี้ครับซึ่งซึ่งอันนี้สําหรับผมนะครที่ผมที่ที่พอหลวงตาชี้แนะมันก็จะเห็นตรงเนี้ยแต่ของเต้ยเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีไปตัวไปตั้งที่จะไปมันจะมีคนเอาอยู่ไอ้ตัวเนี้ยที่เต้ยต้องให้เท่าทันตัวเนี้ยครับไอ้ตัวคนคนที่ไปรอรับผลนะครับก็ถูกต้องนะ คือเราเห็นเนี่ยที่เราเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันเนี่ยเราแอบดูท่านแอบดูจิตท่านมันมีแต่สังขารที่จุกจิกมันจะมีแต่สังขารของท่านตามธรรมชาติปกติอย่างเงี้ยไม่แต่สังขารของท่านถ้าท่านจะพูดกับพูดท่านไมพูดก็มีสังขารข้างในถ้าท่านพูดก็มีสังขารข้างนอกคือเหมือนกับไปนวดท่านอย่างเงี้ยเวลาท่านจะจะพูดก็มีสังขารนอกอก็มีสังขารพูดกันนะถ้าไม่พูดก็มีสังขารขา้างในจะจะจะงนออั่ น, นก็ ม, นมีความคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยาตามปกติ แต่ในความคิดของท่านทั้งหมดเนี่ยหรืออาการทุกอาการที่ปรากฏเนี่ยเราดูของท่านเนี่ยดูนานเนี่ยแอบดูท่านโดยาเป็นท่านเลยมันไม่ ม, มีใครมาลองรับมันสิ้นจนที่สุดตรงนี้คือสิ้นผู้เสวยมันสิ้นผู้เสวยนะคือมันก็ถ้านก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยใช้ชีวิตตามปกติของท่านพูดคุยรับแขกอะไรตามปกติแต่ทุกความรู้สึกมันคิดอารมณ์ภายในใจของท่านทุกกิริยาการเนี่ยไม่มีผู้เสวยมันสิ้นผู้เสวยมันนี่มันสิน้นตัวเสวย <S <S มันไม่ไม่มีว่า ออพอเลยสังขารไปแล้วมันมีใครอีกมีตัวเราอีกมีตัวเราบรรลุนิพพานตัวเราไปไปถึงความไม่สังขารไม่มีตัวเราเลยมันไม่มีอ่ะมันไปสิ้นสุดที่สังขารทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันสิ้นผู้เสวยไม่มีใครเสวยเนี่ยเราไปดูของของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวพุทธาเจ้าทมุที่เราแอบดูท่านและท่านอื่นๆเหมือนกันมันมีแต่สังขารสังขารสังขารสังขารตลอดเวลาเลยแต่ผู้เสวยไม่มีมันมันสิ้นแค่นี้เองอ่ะ จนเราดูจนเหมือนเห็นเป็นภาพเป็นภาพอย่างนี้เลยปรากฏเป็นภาพว่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์เนี่ยไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์ที่ฉายเนี่ยมันเหมือนกับเป็นในไอ้ร่างกายและไอ้ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องโปรเจคเตอร์ไอ้หนังอ่ะหนังหรือไอ้สารคดีที่ก็มาเอามาป้อนอยู่ในเครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยไอ้เจ้านี้เหมือนกับไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เหมือนไอ้ไอ้ไอ้ฝ่ายนามประขันไอ้ส่วนไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้รูปประขัน ไอ้นมามขันก็คือข้อมูลในเครื่องโปรเจคเตอร์ที่มันฉายฉายฉายเข้าไปไ ป, ไปที่่าผนังหรือฉายไปที่จอผ้าเนี่ยมันก็จะรู้ว่าฉายเรื่องอะไรเป็นหนังเรื่องอะไรเป็นสารคดีเกี่ยวกับอะไรถ้าเราแอบเราแอ บ, บดูคนทั่วไปเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็จะมีจอรับภาพเพราแม่ครูบาอาจารย์ก็มีเครื่องโปรเจคเตอร์คือมีรูปร่างร่างกายแล้วก็มีข้อมูลตลอดเวลาคือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค <S <S uh ือมีข้อมูลในเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ฉายเหมือนกัน แต่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปหลานเนี่ยท่านฉายขึ้นฟ้าแต่ของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันไปฉายใส่ใส่จอซะมันมีจอรับภาพมันเลยอ่านออกหมดเลยว่ามีความคิดมีความรู้สึกมีอารมณ์อะไรในใจแต่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นแต่กิริยาการแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บะป๊บแปาบแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแ เราจะเอาอะไรให้ได้จะเอาจะเอามีตัวเราไปยึดไปไปไปยึดมีตัวเราไปยึดมันเลยมีจอรับภาพเพราะวอะไรยึดอะไรก็มียึดด้วมีตัวเรามีตัวเราอ่ะตัวเราจะเป็นอะไรแต่มันไม่ได้อีกนี่ถึงตัวเราจะได้ละอีกอีกอีกอีกกอะไรก็นมันจะอีกอีกอีกอีกอีกอีกละเอียดขนาดไหนอีกกะเรียดขนาดไหนก็มีตัวเราจะไปเอาหมดเลยอ่ะมันก็เลยมีจอรับภาพได้อ่านได้หมดเลยแต่พอแม่ครูอาจารย์ฉายขึ้นฟ้าโอ้ยไม่ว่าจะมีอย่ามีปานกลางมีละเอียดมันอ่านไม่ออกเลยว่าท่านท่านฉายอะไร ต่พอถึงข่าวสิ้นอายุไขัยอะไอ้ร่างกายคือเป็นเป็นเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วก็ไอ้เวทนาสัญญาทังขานเนี่ยคือข้อมูลที่อยู่ในเครื่องโปรเจคเตอร์มันก็ดับหมดคือขันห้าดับแต่จอรับภาพไม่มีแล้วพวกเจ้ญญาพิจารณาหรือพวกเจก้ากรรมในเวรจะเล่นงานหาไม่ได้หาไม่เจอเพราะฉันได้เคยฉายใส่จอฉันฉายใส่ใ ส, ใส่ใส่อากาศแต่พวกเรามันฉายใส่จอพอถึงข่าวสิ้นอายุขโปรเจคเตอร์เครื่องโปรเจคเตอร์ดับไอ้เครื่องมูลในโปรเจคเตอร์ดับ แต่ไอภาพาที่ปรากฏในจอไว้ที่ไปฉายไว้ไม่ดับเพราะมันสิ้นผู้เสวยนะขันห้าไม่อยู่แต่ผู้เสวยไม่มีตัวเราไม่มีไม่มีมมมมควรู้สึกเป็นตัวตนของเราเลยนี่เราเห็นของจริงแด้เลยแล้วเรายังเห็นท่านุ๊บท่านยังเร็วมากเลยพ่พระโลภพ่อแม่ครูอาจารย์ทําไมมันทะลุไปหมดเลยวะเนี่ยเรารู้สึกเนี้ยทําก็ปรากฏว่าเพรา ะ, ระราท่านสิ้นผู้เสวยท่าน <c oughs> อะไรอะไรเงี้ยอะไรดวงตาเราเขากระพ่อแม่ครูอาจารย์อ่ะ ทำบอกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สิ้นผู้เสวยแล้วเราก็โดนโดนอาดแน่แล้วว่าเราแต่ก็แหมดอกคําราชาศัพท์เชียวเขาเรียกว่าสิ้นผู้กินอาการสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นเออสิ้นผู้เสวยก็คือสิ้นผู้กินอาการหรือสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นก็สิ้นทุกสิ้นกิเลสเขาก็เรียกว่าบรรลุนิพพานส่วนผู้ที่สิ้นกิเลสสิ้นผู้ยึดมั่นสี่มั่นสิ้นทุกแล้วเขาก็เรียกว่าพระอรหันต์ก็เองแค่นี้เี่ย สิ้นภูเซวยตัวเดียวแต่ทํามันปรากฏขึ้นมาเราว่าสิ้นผู้เซวยเราก็ใช้คํานี้มันตลอดเพราะว่าทำาเกิดกันใจเราว่าสิ้นผู้เซวยหลข้อแม่ครูบาอาจารย์เราจะเรียกว่าอะไรก็เรียกแต่เรามันถูกใจเราเวลาสิ้นผู้เซวยแต่ท่านบอกว่าสิ้นผู้กินอาการมันไม่โดนเราสิ้นผู้กินอาการเสิ้นผู้ยึดบ้านถึงม้านยังไม่ค่อยจะโดนเหมือนกันแต่ก็โดนเหมือนกันสิ้นผู้ยึดบ้านก็พอได้แต่มันสิ้นผู้เซวยเออทุกอย่างมีแล้วไม่มีผู้เซวยหแค่แค่นั้นแหละโอ้ไม่สังขารเพียวเพียว กระดับกระดับเปียวเปลีวเลยสังขารเกิดดับทุกขณะปัจจุบันเกิดดับเปียวเปียวเกิดดับเปียวเี่ยวทุกขณะปัจจุบันแต่สิ้นผู้เสวยแค่นั้นเองไม่นอกจากอื่นนี้ไม่มีไม่มีว่างโรคโบกเบาสบายอลไรไม่มีหรอกมีแต่สิ้นผู้เสวยคือถ้าเรายังมีวิธีการพิจารณาความมีตัวตอ น, อนนั้นอยู่ตราบใดที่ยังมีความพยายามที่จะพิจารณาหรือพิจารณาไปแล้วเนี่ยไอ้ความพยายามหรือการพิจารณานั้นมันก็เป็นสังขารภรุงแต่ เดี๋ยว <ingred iente. S 1> ขอถามหน่อยถ้าอย่างนั้นนะถ้าคือตัวตนของเราไม่มีเราไม่มีตัวตนแล้วที่เราพยายามเนี่ยจะพยายามเพื่อเพื่อใครเดี๋ยวเตจะพยายามเพื่อใครเอากพราเนื่อตัวตนของเราไม่มีไม่มีตัวตนท่านสิ้นภูสเสวยอย่างเดียวตัวตนไม่มีแล้วก็ไม่มีตัวตนแต่ถ้าเรายังมีความพยายามที่เตพยายามจะพยายามคิดพยายามจะติดตอ่อพยายามจะโยนในสมบัติการพยายามจะหากวิธีทุกอย่างให้มันสิ้นตัวตน เพื่อให้ให้ตัวของเราไม่มีก็ตัวของเรามันไม่มีถ้าเราพยายามเพื่อมันก็ต้องเพื่ออะไรเพื่อที่จะคือมันมีความรู้สึกแอดนะคะความความมีตัวตนเนี่ยมันเป็นมันสมันมันรู้สึกได้มันยังรู้สึกหรือมันก็ยังเชื่ออยู่ว่ามันมันมันมันมีตัวตนน่ะใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเราทาไมเราไม่ไม่ให้เห็นไปเลยว่า ไอ้ความที่เชื่อที่เรายังรู้สึกในใจว่าเรามีตัวตนเนี่ยเนี่มันเป็ น, น, นสังขาร แ, แต่มันมันความเชื่อที่มันมีตัวตนเนี่ยมันเชื่อความเชื่อนั้นมากกว่าเพราะว่ามันเห็นแต่ไอ้ความที่เราไม่ที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่มีตัวตนเนี่ยมันยังไม่เห็นมันก็เลยไม่มีความเชื่อบอปอปอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเตยผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วเราไปเราเห็นไม่ได้ความไม่มีตัวตนอะแต่เราเห็นว่าไอ้ที่เราไป เชื่อเราไปสร้างความรู้สึกมีตัวตนเนี่ยมันเป็นสังขารมันไม่ใช่มีตัวตนจริงๆมันเป็นสังขารปรุงแต่งไว้เนี่ยเป็นรู้สึกที่ปรุงแต่งเอาไว้มันเป็นความรู้สึกจริงเมื่อเราเห็นเป็นสังขารปรุงแต่งก็สิ้นความคิดบ้านถือบอ้านว่าสิทสังขารนั้นก็ปล่อยสังขารก็สังขารไปแต่สิ้นผู้สเสวยแล้วก็บรรลุอรหันต์แค่เนี้ยคือความรู้สึกนั้นมีจริงแต่ที่รู้สึกนั้นแต่สิ้นผู้เสวยความรู้สึกนั้น คือมีความรู้สึกนั้นอยู่แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของความรู้สึกนั้นถูกต้องแต่มันก็ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่เหมือนสมมติว่าเจ็บสมมุตินะคะเราโดนหยิกเจ็บแล้วทําไมไม่เจ็บอ่ะไม่ปวดอ่ะเพราต้องมีเจ็บปวดมีอะไรความรู้สึกก็ต้องมีเเจ้าของมันเวลาเวลาที่เจ็บก็แค่เนี่ยว่าเออมันมันเจ็บเอ่ความรู้สึกที่มันมีเจ้าของ ความเจ็บนั่นน่ะมันไม่เีมันก็นเป็ น, น, ปนอยู่ชั่วคราวมันเป็นของสมมุติในตัวเจ็บตัวปวดด้วยมันก็มีตัวตนอย่าจับว่าโดนตัวตนจะเป็นของ<น>สมมุติเดี๋ยวมันก็แตกหนับหมดแล้วมันก็เว<ป> ล, า, บบตลาตายแล้วมีเหลือหรอ <S <S ไ, หไอ้ร่างกายเต้ยลองคิดดูว่าที่ลูกตาถามว่าเวลาร่างกายเน่าแล้วเนี่ยไอ้ร่างที่เน่าเนี่ยยังมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมเต้ยลองนึกลองนึกถามลองนึกให้ดีนะว่าร่างกายที่เน่าเนี่ยที่เต้ยบอกว่าก็เนี่ยมันมีความรู้สึกมีตัวตนอยู่เนี่ยมีความรู้สึกมีตัวตนอยู่เนี่ยร่างกายที่เน่่าเนีย จะมีความรู้สึกเป็นตัวตนได้ไหมร่างกายที่เน่าไม่มีความรู้สึกเป็นเอออย่างงนั้นไอ้ความรู้สึกตัวตนมันก็เห็นเลยว่าเป็นของสังขารเพราะอะไรเพราะร่างกายที่เน่าเดี๋ยว ม, มันรู้สึกไม่ได้แต่ยังขณะที่ร่างกายยังไม่เน่าคนที่รู้สึกว่ามันมีตัวตนมันไม่ใช่ร่างกายมันมีก็ไอ้คนที่รู้สึกว่าเป็นตัวตนก็เป็นสังขารนะเพราะว่าร่างกายที่เน่าแล้วมันสังขารไม่ได้ นั้นถ้าเรายังไม่เน่ามันก็เลยพยายามสังขารไว้ว่าเราเนี่ยมีรู้สึกมีตัวตนแต่พอเร า, า, าน่ากายเน่าไอ้ร่างกายที่เน่ามันสังขารไม่ได้ง่ะนั้นไอ้ที่เรามีชีวิตอยู่เราเลยพยายามสังขารไว้ได้เราพยายามสังขารไว้ได้เพราะเรายังเรายั ง, ย, งยังปรุงแต่งได้แล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นปรุงแต่งในขนาดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันปรุงแต่งแต่ตายแล้วมันก็ดับหมดไอ้ตัวสังขารเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเราสังขารทั้งหลายดับหมดแต่ความจริงอ่ะมันก็ไม่ได้เที่ยงมันก็เกิดเกิดดับดับแต่เราเวลาแต่เราปรุงเอาไว้อยู่ตลอดเวลาแต่มัน ต่อให้ปรุงไว้ตลอดเวลาก็าปรุงไว้เท่าที่เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่พอเราเนี่ยร่างกายนาก เ, เน่าปุ๊บไอ้ที่ปรุงนะเขาปรุงกขาปรุงไม่ได้มันก็ดับลงมันมันมันดับลงเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติจริงร่างกายดับลงมันก็ยังมีตัวหนีออกไปเป็นก็คือมันตัวหลงยึดนะฮะแต่เราไม่ต้องการที่จะมีตัวเราประเด็นออกไปอ่ะเราต้องสิ้นหลงยึดความว่าเรามีตัวตนว่าเพราะฉะนั้นสังขารต้องไม่เหลือนในใจเรา เพราะว่าถ้ายังมีสังขารทีเหลือในใจเราเราก็ต้องออกไปได้เป็นสังขารได้นี่เราไม่ให้มีสังขารเหลือในใจเราสังขารทั้งหมดเราทิ้งหมดพอตายแล้วก็สิ้นสังขารเพราะฉะเราก็ต้องเห็นว่าไอ้ที่มันปรุงเป็นตัวเราเป็นสังขารเหมืันเป็นสังขารเป็นสังขารเพราะเราไม่ต้องการให้ให้มีสังขารอะไรเหลือในใจเราเพราะัในใจเราต้องทุกอย่างเป็นสังขารหมดแม้แต่ความรู้สึกก็เป็นใจก็เป็นสังขารเหมือนกับที่เราเห็นอย่างอื่นเป็นสังขาร ก็คือเห็นความรู้สึกที่มีตัวตอนอันนี้ก็เป็นสังขารถูกต้องถึงแม้ว่ามันจะยังรู้สึกอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นของมันอยู่แม้มมแต่มันมีความรู้สึกงั้นอยู่แต่เมื่อมันความรู้สึกนี้ก็เป็นสังขารก็หมดความหมายต่อใจจะไม่ใช่ว่าเราจะกําจัดความือไปเข้าใจว่ามันจะไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนเหลืออยู่ถูกต้องไม่ใช่ว่าไปกําจัดให้ความรู้สึกนี้ไม่มีแม้แต่ความรู้สึกนี้มีอยู่แต่ไม่มีค่ามไม่มีความหมายต่อใจก็จะไม่มีอยู่แล้วอยู่ในใจ แม้แต่มีความรู้สึกนี้แต่ความรู้สึกนี้ไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจก็จะไม่มีอะไรอยู่ในใจพอตายแล้วก็ดับหมดเราจะเป็นคนบอกได้เองว่าเรายังมีความรู้สึกนี้อยู่แบบมีค่ามีความหมายหรือแบบไม่มีค่ามีความหมายคือตรงนั้นเราจะตนองบอกไม่ได้เองใช่ไหมคะเพราะว่าเต้ยยังยังมีอะไรที่มีค่ามีความหมายอยู่ในใจของเตอเต้ยเราอ่านใจตัวเองให้ขาดเอเพราะเต้ยยังมีเอาอะไรมามีค่ามีความหมายอยู่ในใจของเต้ยอยู่เช่นเช่นอะไรเช่น ความไม่มีตัวตนมีค่ามีความหมายต่อใจความไม่มีตัวตนเต้ยจะต้องไปถึงตัวเราไม่มีตัวตนตัวเราไม่มีตัวตนมันมีค่าตรงเนี้ยไอตัวเราที่ไม่มีตัวตนมันมีค่ามีความหมายอยู่ในใจของเต้ยพราะมันไปไม่ถึงเต้ยเลยสึกขับแค้นใจแล้วรตาว่ไม่มีค่ามีความหมายงนี้เลยไม่มีอะไรมีค่ามีความหมายต่อใจเพราะถ้าอะไรมีค่ามีความหมายต่อใจเพียงเขตเศษเสี่ยวทุรีเกิดอีกไม่สามารถดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเะั้นของเต้ยเนี่ย ความที่รู้สึกเราเนี่ยตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนมันมีค่าไม่มีความหมายไม่มีค่ามีความหมายต่อใจเต้ยมาเลยเตยจริงต้องไปถึงจุดจุดนั้นแน่ๆว่าเราไม่มีตัวตนเราไม่มีตัวตนความรู้สึกในใจของเราขนาดเนี้ยที่ว่าเรารู้สึกเป็นตัวตนมันต้องหายไปจากใจของเราเต้ยไปคิดค่าความหมายตรงนี้ไปสร้างเอาไว้แต่ถ้ามันไม่อยู่แต่ไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจของเราก็ไม่มีค่าไม่มี ค, ามคาวามหมายในใจเราเลยใจก็ว่างเปล่าเหมือนกับเตยก็มีมีสามีถ้าสามีภรรยาไม่ร mm. ่วมประเวณีกัน ถื อ, อสี่ห้าบริสุทธิ์แล้วก็ก็อยู่ด้วยกันเนี้ยแต่เขาไม่มันม kind of like ีค่ามีความหมายในใจของเราแต่ก็ก็อยู่ด้วยกันมีความรักความเมตตาต่อการมีความหวังดีต่อการปรารถนาให้พ้นทุกข์เหมือนกันเราก็ปรารถนาพ้นทุกข์ในสามีพ้นทุกข์สามีก็ปราราให้ภรรยาพ้นทุกข์แต่ไม่เอามามีค่ามีความหมายในใจแค่นั้นแหละบรรลุอรหันได้ไม่ใช่ว่าพอรู้อาหานแล้วเขาตายนะไม่ใช่เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราหลายท่านอ่ะ มีลูกโตมีมีภรรยามีลูกโตจะรู้จักเราก็มีแต่บรรลุอรหันต์แล้วทั้งหลายท่านพอตายแล้วก็ดูกสายเป็นแก้วเลยสายเป็นเพชรเลยบรรลุอรหันต์ทั้งหลายท่านพระพุทธเจ้าก็มีพระนางพิมพามีลูกแล้วพอบรรลุบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าตัสพระพุทธเจ้าวกับไปสอนนางพิมพาลาหุนนางพิมพาถามว่าพระพุทธเจ้าโกดพระพุทธเจ้าโกดแคล้พระพุทธเจ้ามากเลยว่าเกียรชังอะไรนักหนาจึงหนีไปในขณะที่พอลูกเกิดปุ๊บ หนีไปในวันที่ลูกเกิดเลยลูกไม่ได้เห็นหน้าพ่อเลยแล้วตัวเองอ่ะมีทําอะไรผิดพระเจ้าจึงเกียดชังนักจึงหนีไปโดยไม่บอกกล่าวแม้แต่คําเดียวพุทธเจ้าตัดยังไงว่ารักมากนะเพราะรักมากจึงยอมทุกข์ยากลําบากถ้าตัวเองไม่ยอมทุกข์ยากลําบากสะละเวลังไปแล้วไม่สละความสุขสะดวกสบายตัวเองจนทุกข์ยากลาบากจนสลบสลายไม่รู้กี่คานจนบรรลุเ ป, ป็นพระพุทธเจ้านะไม่สามารถกลับมาสอนเมียและลูกให้บรรลุอรหันต์ได้ ไม่สามารถสอนพ่อสอนพี่นใองไปรู้อรห <ito> ันได้เลยเพราะความรักเนาะทัดอย่างนี้เลยเพราะความรักจึงหาทาง พ, พนทุก์เพื่อมาสอนเพื่อมาช่วยเหลือทุกคนในปนทุกเพราะความรักทุกคนไม่ได้ว่าไม่รักนะแต่มันไม่ได้เอามาเอามายึดถือไว้ในใจแต่เต้ยเนี่ยยึดถือไว้ในใจคือยึดถือว่าเนี่ยคือลังเกียร์ลังเกียร์ความรู้สึกที่มันรู้สึกไว้ในใจว่าเนี่ยมันรู้สึกไว้ว่ามีตัวตนอยู่ เราไประเกียดตัวนี้และเราก็ไปรักไปชอบไปยึดถือเราจะต้องไปถึงความรู้สึกที่ไม่มีไม่มีความรู้สึกก็มีตัวตนไอความรู้สึกตัวตนหายไปมันต้องเป็นใจที่ว่างเปล่าแล้วไปยึดตรงนั้นไว้เลยสิ่งที่มีค่าในใจมันมีทั้งบวกทั้งลบไว้ทั้งสองอันคือเรารงเกียจสิ่งที่เรารู้สึกเป็นตัวตนไว้กับเราไปรักแอบรักในสิ่งที่ยังไปไม่ถึงคือใจที่ไม่มีตัวตนที่ไม่มีรู้สึกของความตัวตนเป็นใจที่ว่างเปล่าเราไปแอบหลักยึดไว้ตรงนั้น อันเนี้ยถ้าเรายังไม่สิ้นความยึดถือเราไม่สิ้นผู้สเสวยไม่สามารถบรรลุพณนิพพานได้เพราะแม่กูบาจารย์มีทุกอย่างแต่ไม่มีผู้สเสวย